ถ้าพระของเราไม่มีศีลไม่มีวินัยคุ้มครองเหมือนทาตัวเหมือนกับครวาสฆรวาสทำยังไงทำตนอย่างนั้นมันก็ยิ่งแย่กว่าฆรวาสไปอีกเพราะเหตไรเพราะฆรวาสเขาทำมาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพด้วยลำแข้งของเขาด้วยจิตปัญญาของเขาแต่เราเป็นพระ เราไปอาศัยเขาเลี้ยงชีพแล้วก็ทําตนเหมือนกับฆราวาสมันก็เอาเปรียบฆราวาสชัดๆามาเมาเปรียบหลักพระทมวินัยอีกต่างหากเพราะฉะนั้นให้พวกเรานึกคิดไว้อยู่เสมอเราเป็นพระไปณสถานที่ใดก็ตามบอกว่าเราเป็นพระเป็นสากยบุตรเป็นบุตรของพระพุธทธเจ้า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 มันเสียเราแต่มันเสียเราก็เสียวงตระกูลอทําให้วงตระกูลมัวหมองถึงท่านยังไม่เสียอย่างพระพุทธลูกท่านก็เป็นพระพุทธปฏิมาวันยังค่ําแต่พอกเราเอาขี้โครนขี้ตมไปพอกพูนแต่ดูดูมก็ไม่น่าดูเหมือนกันคนทั้งหลายกระทำนี่อพระทํำไมพระองค์นี้ทําไมเปรื้เปื้อนด้วยสิ่งที่อ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 ทางว่าออกนอกลูก่นอกทางใช้นกลงนักเลงบงังใช้เหล่เลียมเล่โกนบงังออกนอกลูก่นอกทำออกจากนอกกลับพระธรรมวินัยมันดู ด, ดูแลมันไม่ได้ดูหรอกไปออกไปทางกิเลส น, นั้นไปบอกออกออกกิเลสนําหน้าถ้าออทำนำหน้าแล้วก็คือถึงยังไถ ง, ง, ง, งถึงจะโง่เง่าถึงจะฉลาดขนาดไหนก็เถอะให้อยู่ในหลักโอวาทของพ่อ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 อารมณ์ของเราก็ลักษณะอย่างนั้นล่ะอารมณ์ภายในใจของเรานะมันไปเรื่อยๆเกาะเกี่ยวไปเรื่อยไม่มีที่สิดุดตั้งกลางวันกลางคืนนี่แหละทีนี้เราจะทํำยังไงจึงจะให้จิตใจดวงนั้นสงบอยู่ด้วยวิหารธรรมคือจิตใจนิ่งเพราะพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าพระสาวอริยสาวกต้องอยู่ในอานาปานสติแล้วว่าอริยอริยวิหารธรรม ผมวิหารผมวิหารคือเพคือเป็นเป็นเครื่องอยู่ของผมผมวิหารพุทธวิหารธรรมคือพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าพระพุทธองค์ก e ็อยู่ด้วยวิหารธรรมคืออาณาปานสติต้องอยู่ในกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกคนที่มีสติอยู่กำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่ที่ลมหายใจสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้ว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 อยอารมณ์ของตอนเองเออละเหยลอยลมไปแต่ละวันละวันละเดือนละปีไปมันไม่เกิดประโยชน์นะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ผมพูดวันนี้ก็คือเบื้องต้นก็คือรักษาศีนพี่นัยคือยู่ในกฎระเบียบเมื่อรักษาศีนพี่นัยดีแล้วเรามุ่งหวังอะไรเพื่ออะไรกับเพื่อน่เพื่อทางพ้นทุกของเรามันเกี่ยวเนื่องกันถ้าหาว่าพวกเราไม่อยู่ในศีนในวินัยเลอะเลอะเะทอะเะ